เจรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกูบาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สาสิงหาคมพุทธศักราชสองพันเป็นวันพระวันธรรมมาศวนาวันฟังธรรมเป็นวันประเสริฐ เพราะคำว่าพระแปลว่าประเสริฐการที่ความประเสริฐจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการกระทาที่ดีที่ทําให้เกิดผลที่ดีตาม <c oughs> การเป็นพระจึงไม่ได้อยู่ที่การโกนสีสันนุ่งเหลืองห่มเหลือ ง, เ, องเพียงอย่างเดียวการเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐนี่ อ, อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณธรรมความดีต่างๆเช่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาผู้ที่อยากจะเป็นผู้ประเสริฐถ้าได้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ประเสริฐถึงแม้ว่าจะไม่ได้โกนศีรษะจะไม่ได้นุ่งเหลืองหองสเหลืองหรือนุ่งขาวหงสขาว ก็เป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าความประเสริฐนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันพระวันธ ร, รมศวนะัะวันประเสริฐนี้ให้พุทธบริษัททั้งสี่ได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อจะได้มาสร้างความประเสริฐ ให้แก่ชีวิตจิตใจของตนมาประเสริฐนี้เป็นสิ่งที่ขอกันไม่ได้มาวัดนี้เราไม่ได้มาขอสิ่งที่ประเสริฐจากพระเช่นวัตถุมงคลต่างๆวัตถุมงคลก็เป็นเพียงวัตถุไม่สามารถทำให้ผู้ครอบครองเป็นผู้ประเสริฐได้ไม่สามารถ สร้างความเป็นศสื่อมมงคลให้แก่ผู้ครอบครองได้เพราะวัตถุ ก, ก็ทำมาจากวัตถุนั่นเองเหมือนกับวัตถุที่เราใช้สร้างศาลาใช้สร้างบ้านใช้สร้างถนนเป็นวัตถุวัตถุนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราประเสริฐไม่สามารถที่จะทำให้เราแคล้วคลาดจากทุกภัยอันตราย ทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่มีใครตายจะไม่มีใครประสบอุบัติเหตุจะไม่มีใครประสบกับความเสียหายต่างๆเพราะพวกเราทุกคนก็มีวัตถุมงคลด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราก็ยังประสบอุบัติเหตุกันอยู่มีรถความรถชนกันมีคนตาย ถูกลดชลเพราะว่าวัตถุมงคลที่เราห้อยไว้ที่คอหรือเราตั้งไว้ที่บ้านนี้เป็นเพียงวัตถุที่มีเป้าหมายอยู่ที่การให้เราละลึกถึงพระให้เราละลึกถึงความประเสริฐให้เราระลึกถึงการกระทําที่จะทําให้เราประเสริฐต่างหาไม่ได้มีไว้ปกป้อง พูดผีปีศาจไม่ได้มีไว้ปกป้องขโมยโจรทั้งหลายไม่มีไว้ปกป้องภัยอันตรายต่างๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้วัตถุมงคลมีไว้เพื่อให้เราเรา ล, ลกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เราเ ล, ลิกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า วิถีชีวิตของพระสงฆ์ทั้งหลายให้เราเระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการกระทาของท่านคาสอนของท่านนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแขล้แกร่งปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างแท้จริงอยู่ที่การกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นเราจึงควรเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราก็จะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังวิธีการที่จะทำให้เราเป็นผู้กระเสริฐทำให้พวกเราเป็นผู้มีความสุขแข็งแกร่ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระ ทุกวันขึ้นแรงวันขึ้นแรง8ขค่ำ15ข้าค่ำหรือ14ข้ค่ำให้พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจทางโลกทางร่างกายทางลาบยกสรรเสริญทางตาหูจมูกเล่นกายไว้ชั่วคราวแล้วมาสร้างความประเสริฐให้แก่จิตใจ สมัยนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของพวกเรามีวันนี้ที่ตรงกันคือตรงกับวันอาทิตย์ญาติโยมที่ไม่ต้องไปทำงานก็จะได้มีเวลามาวัดมาปฏิบัติมาสร้างความประเสริฐให้แก่ตนเองแต่ถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เราก็ยังสามารถ ปฏิบัติสร้างความประเสริฐให้กับตัวเราได้โดยให้เราถือวันหยุดทำงานของเราเป็นวันพระของเราเป็นวันที่เราจะมาสร้างความประเสริฐให้กับตัวเราอย่างที่วัดยาณ้ก็จะมีกิจกรรมที่ทดแทนวันพระคือวันเสาร์วนอาทิตย์ก็จะมีการฟังเทศฟังธรรมกัน ไม่ต้องรอเพียงแต่วันพระเพียงอย่างเดียวสมัยก่อนนี้วัดจะมีการแสดงธรรมสั่งสอนญาติโยมเฉพาะในวันพระแต่สมัยนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทํางานของญาติโยมทางวัดก็เลยต้องปรับวันพระให้เข้ากับตรงกับวันหยุดทํางานของญาติโยมเช่นทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ ญาติโยมก็ยังสามารถถือเป็นวันพระได้ถือเป็นวันที่จะมาประกอบกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความประเสริฐขึ้นมาแก่จิตใจที่จะทำให้จิตใจแข็งแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีวันพระ ทุกอาทิตย์ไม่ควรที่จะลืมวันพระเพราะวันพระนี้จะทำให้เราได้สร้างสิ่งที่ดีที่แท้จริงให้แก่ชีวิตของเราวันอื่นๆสิ่งที่เราสร้างกันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่อย่างใดถึงแม้จะไม่เป็นเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ คนที่มีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่ได้เป็นผู้ประสบเสมอไปเพราะการกระทำในการหาเงินล้านเงินร้อยล้านพันล้านนี้อาจจะกระทำโดยวิธีที่ไม่น่าดูน่าเคารพเลื่อมใสนั่นเองเช่นการหาเงินด้วยวิธีช่อโกงหาเงินด้วยวิธีลักทรัพย์ อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์มาเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ผู้ที่ได้ทรัพย์มานี้ไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐแต่อย่างใดผู้ที่ประเสริฐได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดโกไม่โกหกหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันไม่คบคนไม่ดีเป็นมิตรไม่มีความเกียดค้างนี่ต่างหากคือคุณสมบัติที่จะทำให้บุคคลประเสริฐขึ้นมาก็คือการมีศีลนั่นเองนอกจากมีศีลแล้วก็ต้องเป็นผู้มีใจบุญสุนทาน มีความเมตตาการุณาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปมีอะไรที่มากเกินไปก็แบ่งกันให้ผู้ที่เขามีน้อยหรือไม่มีได้มีบ้างการกระทำอย่างนี้แหละที่จะทำให้เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมา พวกเราที่เรากราบพระกันก็เพราะว่าพระท่านมีศีลนั่นเองท่านบวชแล้วท่านก็ตั้งใจรักษาศีลรักษาศีลถึง227ข้อด้วยกันเราจึงให้ความเคารพให้ความนับถือกราบว่า้บูชาเพราะเรายังไม่สามารถที่จะกระทำเหมือนกับพระกระทำได้ ถ้าเป็นพระแล้วแต่ไม่รักษาศีลก็จะไม่มีใครอยากจะกล่าวถ้ารู้ว่าพระรูปนี้ทําผิดศีลก็จะไม่มีใครอยากจะกล่าวเพราะว่าความเป็นพระความเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งหง่มไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบที่สวมใส่คือจีวรหรือการโกดศีสา ร, รแต่อยู่ที่ การกระทำที่สำรวมสงบเรียบร้อยสงบกายสงบวาจาการกระทำไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและตนเองไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใดนี่คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญเพราะว่าเมื่อเราได้ทำสิ่งที่ประเสริฐแล้ว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 เพราะศีลนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจดังที่เมื่อกี้ญาติโยมได้ยินในท้ายของศีลว่าซีเลนะสุขติยันติศีลเป็นเหตุที่จะนำพาผู้รักษาศีลไปสู่สุขติสุขติก็คือพบของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของพระอาริยบุคคลต่างๆ ถ้าไม่รักษาศีลก็จะต้องไปเกิดในอาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นผีบ้างไปตกนรกบ้างอาบายนี้คือเป็นที่ไปของผู้กระทำบาปสี่ชนิดด้วยกันผู้ที่กระทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงว่าเป็นบาป ก, ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรตผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นผีผู้ที่ทำบาปเพราะความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท ก, ก็จะไปตกนรกนี่คือเหตุที่จะทำให้ผู้ที่กระทำนั้นเป็นไปตามการกระทำของตน ดังที่มีสุภาษิต ท, ที่ทรงตัดไว้ว่ากรรมเป็นผู้จำแนกแยกสัก์ให้เป็นชนิดต่างๆกันกรรมก็คือการกระทานั่นเองทำบาปก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกทาบุญก็จะไปสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นคมเป็นพระอริยบุคคลนี่คือความ แตกต่างของสัตว์ทั้งหลายทำไมเราจึงมีเดรชาทำไมเราไม่มีมนุษย์เพียงอย่างเดียวก็เพราะว่าการกระทำของเรานี้ไม่เหมือนกันนั่นเองเราบางคนยังรักษาศีลไม่ได้ยังฆ่าสัตว์ยังรักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังพูดบทยังเสพสุรายาเมาอยู่เวลาตายไป เราก็จะต้องไปเกิดนาบายถ้าทุกคนรักษาศีลได้ <c oughs> ก็จะไม่มีใครไปเกิดนาบายดังนั้นขอให้เรามาสร้างความประเสริฐ ด, ด้วยการรักษาศีลด้วยการทำบุญให้ทาน <c oughs> การที่เราจะรักษาศีลได้ <c oughs> เราก็ต้องมีหิริโอตปะฮิริแปลว่าความอาย โอตตะปะแปลว่าความกลัวอายในการกระทำบาปกลัวผลของบาปที่จะตามมาถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีเฮริโอตตะปะเพราะเราคิดว่าเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปต้องไปใช้กรรมอีกต่อไปเพราะเราคิดว่าร่างกายคือตัวเรา พอร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราก็ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องไปรับผลของบุญของบาปที่เราได้ทำไว้แต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจนี้เป็นดวงวิญญาณเป็นร่างทิศเวลาร่างกายอยากตายไป ร่างทิพนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอย่างร่างทิพนี้ไม่มีวันตายมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมและจะมีต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดร่างทิพนี้แหละคือตัวเราที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปร่างทิพเวลาตายไปก็ไปรับผลเป็นร่างทิพชนิดต่างๆ เป็นเปรตนี่ก็เป็นร่างทิพย์ชนิดหนึ่งเป็นผีก็เป็นร่างทิพย์ชนิดหนึ่งเป็นนรกก็เป็นร่างทิพย์ชนิดหนึ่งเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เป็นร่างทิพย์นี่คือผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปจากนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้มีความกลัวในการกระทำบาปเราจะได้มีความอับอาย เพราะว่าคนที่ทำบาปนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นคนประเสริฐไม่ได้ถือว่าเป็นคนดีจะไม่มีคนชื่นชมยินดีเรื่อมใสศรัท ธ, ธาจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าเรามีฮิริมิโอตตาปะเราก็จะไม่กล้าทำบาปกันพอเราไม่กล้าทบาบาป เราก็จะได้ไม่ทำให้ตัวเรานั้นตกต่ำก็จะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาปฏิบัติกันในวันพระคือมาทำตัวของเราให้เป็นเทวดากันให้ทำตัวของเราเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคลกัน ถ้าเราทำทานรักษาศีลได้เราก็จะเป็นเทวดาถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะเป็นพรหมถ้าเราจเจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่น่าปรารถนาไม่น่าอยากได้เพราะว่าสิ่งที่เราได้มานั้น เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เราได้ไปเราก็จะทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้อยู่กับเราให้เป็นของเราไปได้ตลอดถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงอันนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไร ไม่อยากได้สามีไม่อยากได้ภรรยาไม่อยากได้บุตรธิดาไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเวลาเราได้มาก็ให้ความสุขกับเราแต่เวลาที่เขาจากเราไปก็จะให้ความทุกข์กับเรา คนที่มีปัญญาเห็นความจริงอันนี้ก็จะตัดความอยากต่างๆได้เพราะตัดความอยากต่างๆได้ก็จะบรรลุเป็นพระอาริยะบุคคลขั้นต่างๆได้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นบรรลุเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอารหันต์ได้พระพุทธเจ้าของพวกเราท่านเป็นพระอารหันต์ เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านตัดความอยากได้ไม่มีความอย า, อยากอยู่ในใจของท่านเมื่อท่านไม่มีความอยากใจของท่านก็ประเสริฐบริสุทธิ์การกระทำของท่านก็จะไม่มีการสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครมีแต่จะสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น พระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้กันทุกวันนี้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาพระพุทธเจ้าแต่เราได้ยินกิตติศัพท์อันเลิศอันประเสริฐท่านสามารถทำสิ่งที่พวกเราไม่สามารถทำกันได้ท่านสามารถตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านสามารถทำลายความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ พวกเราจึงมีความเคารพมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันถ้าพวกเราปฏิบัติได้ต่อไปพวกเราก็จะได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้คือได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาคือเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอย่างที่ท่านมากระทำกันในวันนี้คือหนึ่งมาทำทานสองมารักษาศีลสามมาฝึกจิตทำใจให้สงบ ให้เป็นสมาธิและสี่มาศึกษาความจริงของโลกนี้ให้เห็นว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่างให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราเห็นความจริงแล้ว เราก็จะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ไม่อยากได้ลาบไม่อยากได้ยศไม่อยากได้สรรเสริญไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกิืนกายพอเราตัดความอยากต่างๆได้ใจของเราก็หมดความทุกข์หมดเชือกของภพของชาิไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิอดติกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับกัน ถ้าเราพยายามปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องปฏิบัติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปไเรื่อยๆอย่าไปประมาทตัวเองว่าเราเป็นคารวะญาติโยมเราไม่มีความสามารถไม่มีบุญที่จะปฏิบัติได้ก่อนที่เราจะมาเป็นพระกันได้เราก็ต้องเป็นคารวะญาติโยมด้วยกันทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นคารวะมาก่อน เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่หลังจากที่เห็นว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์พระองค์เลยเกิดมีความขวนขวายอยากจะดิ้นหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายท่านก็เห็นผู้ที่บวชก็เลยศรัทธาก็เลยออกบวชตามพวกเราก็เหมือนกันทักวันหนึ่งถ้าเราเกิดความเบื่อหนา่าย กับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะเกิดศรัทธาเราก็จะเกิดความยินดีความฉันทะที่จะขวนขวายปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเราก็จะออกบวชกันได้แล้วเราก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้แต่เราต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้ การที่เราเป็นคารวาถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้พอถึงเวลาจะออกบวชเราจะไม่มีกำลังพอแต่ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนมาทาบุญมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาพอต่อไปถึงเวลาที่เราอยากจะออกบวชเราก็จะมีกำลังที่จะออกบวชได้ พอเราบวนแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่และก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันนี้เพื่อมาสร้างความประเสริฐให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อความสุขความเจริญเพื่อความประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสแดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาจัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรนณสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ